Thank you. ยันกันสุดซึ้งสันติภาพเพิงเพียนเข้าถึงดังฝันต้องทํากรรมของตนนั้นคันมาเป็นบุงแม่จะรวมหัวกันคันไหน สูงจนต่อให้รังโลกไว้หยุดหมุนแต่คนไม่ย้ำคำนุนบุญตนก่อนใครใครจะคนหาคนรองให้แท้สอง่านใดก็ไม่สมความหวัง ดังขางใครถ้าไม่ทำให้คนประพฤติตนจนแจ้งทางพอกี่เลตนตัวชั่วร้ายสันติภาพกลายเป็นเลซอนบ่นซ้ำ นทนทุกข์ทรมารถท o ไมถูกท้า สุดซึ่งสันติภาพตึงเพียนเข้าถึงดังฝันต้องำทำกรรมของตนนั้นคันมาเป็นบุญแม่จะรวมหัวกันคันไหน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 ให้ถ้าไม่ทำให้คนประพฤตินตนจนแจ้งทำองกิเลตต้นตัวชั่วร้ายรู้กันไง่ายได้กันที่ไหนจึงสา ทีัสุด